ข่าวหน้ากลุ้งโดยดังตรินตอนที่22เฮอ้อสงกรานเลือดเล่นกันถึงตายวัยรุ่นชายครูกันลงมาประแป้งสาวก่อนอุ้มตัวโยนลงไปในคลองชนลประทานแต่สาวช็อกตายด้วยความหวาดกลัวเนื่องจากว่ายน้ำไม่เป็นประกอบกับมีโรคประจำตัวหลายโรค ผมคิดว่าถึงวันนี้หลายคนคงชักรู้สึกตงิดตงิดว่าเรามีเทศกาลสงกรานต์กันไปเพื่ออะไรกันแน่เพราะเดิมทีเรามีวันสงกรานต์ไว้าศาสตร์สุขแต่ดูเหมือนถึงวันที่13เมษายนของสหัสวรรษใหม่นี้ไทยเรามีวันสงกรานต์ไว้าศาสตร์ทุกข์กันที่นนที่นี่ทวีจานวนเพิ่มขึ้นทุกทีคาว่าสงกรานต์นั้นหมายถึงการเคลื่อนย้ายจากราศีเป็นปีใหม่ ไทยเราใช้คำนี้ในความหมายของประเพณีต้อนรับปีใหม่ถือว่าวันดีมีอะไรดีควรทำก็ทำกันดังเช่นเมื่ออากาศร้อนก็เอาน้ำอันเป็นปฏิปักษ์กับความร้อนมาแก้กันนับแต่ส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยกิริยาแสดงความเคารพเทิดทูนตลอดจนรดน้ำหญ้าสนิทมิสหายเพื่อความชุ่มชื่นแก่กันและกัน หลายครอบครัวถือมากถ้าวันสงกรานตลูกหลานคนไหนไม่มาหาพ่อแม่ก็มีสิทธิ์โดนงอนยาวหรือกระทั่งมีสิทธิ์รับส่วนแบ่งมรดกน้อยกว่าพี่พี่น้องๆโทษฐานไม่ให้ความสำคัญกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็เป็นธรรมดาครับน้ำนั้นลงได้เล่นแล้วก็ไม่แคล้วสนุกคลึกครื้นอย่างเช่นถ้าลงทะเลหรือแอ่งน้าตกธรรมดามนุษย์เราจะสาดน้าใส่กันด้วยความกระดิกระดา ราวกับปลากระดีกลับชาติมาเกิดพอรถน้ำใบรถน้ำมานานปีเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนสมัยวันสงกรานก็เลยกลายเป็นการเล่นน้ำไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการท่องเที่ยวเริ่มบูมในช่วงเมษายนฝรั่งมังค่าเข้ามาเที่ยวเป็นยกใหญ่ด้วยความอยากเล่นน้ำกับเขาบ้างการท่องเที่ยวเลยประชาสัมพันธ์ประมาณว่าสงกรานคือเทศกาลสาดน้า คือจะสาดใครก็ได้บนท้องถนนไม่มีใครถือสาทั่วบ้านทั่วเมืองฉะนั้นถ้าบ้านเมืองใครไม่มีประเพณีสาดน้ําแบบนี้ก็ขอเชิญให้มาเล่นที่เมืองไทยได้ฝรั่งชอบเลยแห่มากันใหญ่และส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เลยว่านี่เป็นวันขึ้นปีใหม่ไม่ใช่วันเล่นน้ําแก้ร้อนฉะนั้นวันสงกรานจึงกลายเป็นวันพิเศษ นอกจากถือเป็นโอกาสรวมครอบครัวให้พร้อมหน้าพร้อมตาในเกือบทุกท้องถิ่นแล้วยังเป็นช่วงดูดเม็ดเงินให้ไหลเข้าประเทศอีกด้วยทั่วทุกหัวระแหงจึงมีการโ อ, อนอ่อนผ่อนตามหนักนิดเบาหน่อยไม่ว่ากันเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยผีให้สนุกกันตามอัธยาศัยอยู่ไกลๆด้วยซ้ําพอทุกคนพร้อมใจกันแห่ออกต่างจังหวัดในวันกลับบ้านแถมเป็นวันปล่อยผีกินเหล้าเมายากันสนุก โอกาสเสี่ยงบนท้องถนนก็เพิ่มขึ้นเป็นธรรมดานอกจากนั้นวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยอยังคิดว่าสงกรานต์หมายถึงวันที่มีการอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบจับนมคนสวยหรือจับเป้าคนหลอ่อไม่ต้องขึ้นโรงพักเพราะอ้างว่าจะมาประแป้งเลยพลาดไปโดนเข้านับปีก็ยิ่งลามหนักบางทีก็ได้ยินข่าวสาดน้าแข็งบ้าง บางทีก็ได้ยินข่าวน้ำผสมหมามุ้ยบ้างบางทีก็ได้ยินข่าวปลาไข่บ้างสารพัดที่ใครจะคิดแผลงแผลงอะไรได้โดยไม่ต้องเกรงจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและไม่ต้องกลัวกฎหมายคือแปรบ้านเมืองใดๆทั้งสิน้นวันหนึ่งเถอะเมื่อสถานการณ์ทวีความรุนแรงจนควบคุมไม่ได้ในที่สุดสงกรานจะกลายเป็นวันธรรมืนียที่น่าพรั่นพรึงไม่ควรออกจากบ้านไปไหนเลยแม้แต่ก้าวเดียว ทุกปีมีข่าวหน้ากลุ้มในวันสงกรานและปีนี้ก็มีดังที่ผมคัดออกมาอ้างถึงแน่นอนว่านี่คงไม่ใช่เรื่องของการชักชวนให้เลิกเล่นสงกรานเพราะเอาเฉพาะประเพณีนิยมที่เหนียวแน่นกับเม็ดเงินจากต่างประเทศที่หนาแน่นไปทุกภาคก็เพียงพอจะมีการส่งเสริมให้เกิดการเล่นน้ำทั่วประเทศยิง่งยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วแต่ผมอยากชักชวนชาวเรา ว่าควรเล่นกับคนรู้จักใกล้ตัวดีกว่าอุ่นใจกว่าและรู้แน่ว่าไม่ทำเรื่องร้ายกาดอย่างที่เป็นข่าวหน้ากลุ่มทุกปีอย่าไปเล่นกับคนแปลกหน้าตามข้างถนนซึ่งไม่มีการควบคุมดูแลเลยเพราะเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าคนที่จะโฉบเข้ามาเล่นกับเรานั้นหวังจะสาสสุขหรือสาสตร์ทุกข์ใส่เรากันแน่ บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่44เสียงอ่านโดยโจโฉ